สองสามวันที่ผ่านมาก็ไปช่วยเขาจัดอบรมให้กับหน่วยงานหนึ่งในโรงพยาบาลจุฬาชื่อว่าศูนย์ชีวาพิบาลนะศูนย์นี้นี่ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยรียสุดท้ายนะให้เขาจากไปอย่างส ง, งบนะโดยไม่เน้นการยื้อชีวิตนะ เพราะาการยื้อชีวิตนี่มันมาจะกลายเป็นการยื้อความทุกข์ทรมานไม่ได้ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นแล้วก็เพอเพอก็ตายไม่สงบด้วยเดี๋ยวนี้ก็มีศูนย์ทำนองนี้เยอะในโรงพยาบาลใหญ่ๆเพราะว่าเขารู้แล้วว่าโรคภัยไข้เจ็บนะ หลายอย่างมันรักษาไม่ได้อาจจะรักษาได้ในช่วงตน้นตแต่ถ้าเกิดว่าโรคมันลุกลามอย่างเช่นมะเร็งถ้ามันลุกลามไปแล้วนี่ก็รักษายากคนส่วนใหญ่ก็ยอมรับความจริงไม่ได้นะว่าคนไข้กำลังจะตายก็พยายามไปยื้อเข้าไว้มีการเจาะคอใส่ท่อใช้เครื่องช่วยหายใจมีการปั๊ม สารพัดคนไข้ก็ไม่ได้มีความทุกข์ทรมานน้อยลงเลยกับเพิ่มมากขึ้นซิในเดอนนี้นี่ก็มีโรงพยาบาลใหญ่ๆที่เข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นเลยเพอารยบาลของรัฐนะหลายโรงพยาบาลก็อยากจะให้มีการอบรมสำหรับ เจ้าหน้าที่นะทั้งหมอทั้งพยาบาลเพื่อจะได้รู้ว่าจะช่วยเหลือให้ผู้ป่วยนี่เขาตายสงบได้อย่างไรอันนี้มันเป็นเรื่องของจิตใจไม่น้อยประกอเรื่องร่างกายนะหลายคนเนี่ยเขาที่เขาทุรนทุรายเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาเจ็บปวดแต่ส่วนใหญ่เป็นเพราะว่า มันมีความทุกข์ในจิตใจให้ความทุกข์ในจิตใจมันก็ทำให้คนไข้เขากระสับกระส่ายทุรนทุรายซึ่งหมอก็มักจะเข้าใจว่าปเป็นเพราะเขาเจ็บปวดก็ให้ยาหมอฟีนให้ยาระงับปวดมันก็ได้ผลนะแต่ประเดี๋ยวประดาวไม่นานยาก็หมดฤทิ์ จริงๆมันก็จะยังไม่หมดฤทธิ์หรอกนะแต่ว่าความทุกข์ของเขาจริงๆมันไม่ใช่อยู่ที่ความปวดแต่อยู่ที่ความทุกข์ในใ จ, ใจิตใจเก่งความกลัวความรู้สึกผิดความยึดติดห่วงหวงหนก็มีเมื่อวันเสาร์ก็มีคนหนึ่งเขาไล่ฟังดูแลคนไข้คนหนึ่ง ซึ่งเป็นหมออ่าซึ่งเป็นตำรวจอ่าเป็นตำรวจก็มีมีอายุมากแล้วนะประมาณนับสี่ห้าสิหรือใกล้หกสิบแล้วแกเป็นมะเร็งแล้วก็อยู่ในระยะสุดท้ายรักษาตัวที่โรงพยาบาลเวลาญาๆมาเยี่ยมตอนกลางวันเนี่ยแกก็จะเรียกร้องเอานั่นเอานี่ตลอดเวลาเดี๋ยวเอาน้ำเดี๋ยวเอาอาหาร ก็จะเรียกร้องหรือว่าจูจ้จี้เอาโน่นเอาหนี่ไม่ได้หยุดตลอดวันพอกลางคืนนี่ก็หนักเข้าไปใหญ่เพราะว่าแกก็จะมีอาการกระสับกระส่ายญาติๆเนี่ยเช่นลูกหรือว่าภรรยาก็ดูแลเหนื่อยมาตลอดวันกลางคืนแทนที่ได้พักก็ไม่ได้พักเพราะคนไข้ เดี๋ยวก็บอกให้พลิกตัวไปทางซ้ายไม่ถึงห้านาทีก็บอกให้พลิกตัวมาทางขวาก็เดี๋ยวก็ให้หมุนเตียงก็เรียกร้องให้ทำโน่นทำนี่หนักกว่าตอนกลางวันสิเป็นอย่างนี้ตลอดคืนและตอนเช้าก็พฤติกรรมก็เหมือนเดิมพอตกกลางคืนก็เอาละนอนไม่ได้ พลิกตัวไปพลิกหัวมาเรียกร้องให้ลูกให้เมียมาดูแลมาปรนิบัตนะิตลอดคืนเป็นอย่างนี้อยู่หลายคืนหลายวันนะลูกชายนี่ก็ถึงจุดหนึ่งก็สติแตกนะเพราะว่าไม่ได้พักเลยพูดจาพ่อพูดบอกพ่อพ่อก็ไม่รู้เรื่องนะว่าไม่ได ว่าให้อยู่ให้นอนนิ่งๆบ้างนะพ่อก็ไม่สนใจก็เรียกร้องลูกชายอยู่นั่นแหละลูกชายสติดแตกคืนหนึ่งก็คว้าคอพ่อแล้วขย่า ว, ว่าพ่อเป็นอะไรทาไมพ่อเป็นอย่างนี้นะทำไมไม่นะเรียกร้องตลอดคืนเลยนะขย่าคอพ่อนะ ล้วก็ตะโกนก็โชคใส่ใส่พ่อด้วยความโกรธเสร็จแล้วก็มาเสียใจภายหลังว่าเนี่ยนะทำสิ่งที่ไม่ดีกับพ่อเลยก็สงสัยก็ไม่พ่อทำไมมีพฤติกรรมแบบนี้ก็คุยกันไปคุยกันมาก็สรุปได้ว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพ่อเนี่ยกลัวกลัวตาย กลัวตายแต่ว่าไม่กล้า บ, บอกใครว่ากลัวตายเพราะเป็นตำรวจตำรวจมันต้องไม่กลัวตายตำรวจมันต้องเข้มแข็งนะภาพลักษหรือว่าภาพลักษณ์ความเป็นตำรวจเป็นเป็นผู้ชายที่เข้มแข็งเนี่ยไม่ใช่จะแสดงความอ่อนแอไม่ได้คือจะจะบอกว่าตัวเองกลัวก็กลัวเสียหน้าเผลอๆตัวเองไม่รู้ตัวด้วยนะว่ากลัว แต่ความกลัวเนี่ยมันก็ไปแสดงอาการออกมาเป็นพฤติกรรมแบบนี้นะกระสับกระส่ายทุรนทุรายลึกๆกอาจจะกลัวตายคนเดียวกลัวมากตายตอนกลางคืนกลัวว่าจะตายโดยไม่มีใครเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพยายามปลุกพยายามเรียกเรียกร้องความสนใจจากลูกบ้างจากเมียบ้างตลอดทั้งคืน อันนี้เป็นพฤติกรรมที่เห็นได้มากทีเดียวนะคนที่กลัวตายกลางคืนจะไม่กล้าหลับเพราะว่ากลัวถ้าหลับแล้วจะไม่ตื่นจะถ้าตายตอนนั้นญาติๆก็ไม่รู้เรื่องด้วยเพราะต่างคนต่างก็หลับกันเพราะฉะนั้นก็หาทางปลุกนะวิธีที่จะปลุกให้คนให้ญาติผู้ป่วยตื่นก็คือเนี่ยเรียกร้องเอานั่นเอานี่ตลอดทั้งคืน อันนี้ก็เป็นเป็นอุทาหรณ์ได้ดีเลยนะว่าคนเรานี่ถ้าหากว่าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เลยพอจะตายนี่ก็จะมีอาการสารพัดเลยเพราะความกลัวจริงๆถ้ารัวตัวเองกลัวแล้วก็ยอมรับความกลัวได้มันก็ไม่มีอะไรนะมันก็จะแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นแต่พอไม่ยอมรับพอปฏิเสธ แล้วก็ไม่บอกใครมันก็เลยสร้างปัญหาแล้วกรณีอย่างนี้ก็ชี้ให้เห็นนะว่าคนเราเนี่ยเวลาจะตายแล้วเนี่ยบางทีเรื่องหน้าตานี่มันก็ยังเป็นเรื่องใหญ่นะความรู้สึกหวงแหนหน้าตาว่าฉันเป็นตำรวจนะฉันต้องไม่กลัวมันก็เข้ามาครอบงำจนกระทั่งทำให้มีพฤติกรรมแปลกๆทำให้มีพฤติกรรมที่สร้างความดือรอนกับผู้คน เรียกว่าสังเกตว่าคนจำนวนไม่น้อยเลยนะเวลาใกล้จะตายเนี่ยกิเลสเนี่ยมันไม่ได้อ่อนแรงลงเลยทั้งที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังวางชาถดถอยลงไปเรื่อยๆแต่ว่ากิเลสนี่มันไม่ได้ถดถอยตามไปด้วยเลยมันกลับเข็งแข็งกว่าเดิมมันแปลกมากนะ มันจะเข้มแข็งกว่าเดิมคนที่มีกิเลสเด่นๆแบบไหนก็ตามเนี่ยพอใกล้ตายนี่อทกิเลสตัวนั้นมันจะแสดงตัวชัดมากอีกคนหนึ่งเขาก็รล่ายฟังว่าเนี่ยเาคนไข้คนหนึ่งก็เป็นผู้หญิงอายุมากแล้วในยสุดท้ายนะต้องใส่ท่อใกล้ตายแล้วต้องใส่ท่อ แทนที่จะนึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์นึกถึงาการทำบุญนะกลับหมกบุญคุ้นคิดอยู่กับเงินทองที่คนอื่นเนี่ยยิบเจืยมตนขอกระดาษขอปากกาขอจดหน่อยว่าใครเป็นหนี้ฉันบ้างเอาเอาความจำทั้งหมดเนี่ยมาทุ่มเทยอยู่กับารนะทบทวนว่าใครเป็นหนี้ อันนี้มาานแสดงความตนหนีนะความโลภที่เกกลุ่มใจของคนไข้นี้แทนที่จะถือว่าเป็นเวลาที่ต้องปล่อยวางนึกถึงบุญกุศลนะเพื่อให้ใจสงบกับเสียดายนะเงินทองที่คนอื่นเขายืมไปความจำก็ไม่ค่อยดีก็พยายามจดจำย้อนหลัว่าใครใคร ย, ยืมเงินฉันไปบ้าง ไอ้กิเลสตัวนี้นะก็คือนะความโลภความตนนี่มันก็แสดงตัวมาเคยไปเยี่ยมอผู้ป่วยคนหนึ่งผู้ป่วยคนนี้เนี่ยก็เป็นผู้หญิงคุณยายอยู่ที่โรงพยาบาลนคปรปฐมก่อนไปเยี่ยมนี่หมอก็เล่าให้ฟังว่าอาการจะหนักแล้วแล้วก็หมอก็พยายามที่จะแนะนา คุณยายคนนี้เนี่ยให้ปล่อยวางพอตอนพ อ, พอพูดตอนพูดปล่อยวางเรื่องลูกเรื่องล้านนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่พอบอกให้ปล่อยวางลักทรัพย์สินเนี่ยแกทำหน้านี่คิ้ขมวดเลยเหมือนกับว่าไม่ยอมรับไม่อยากฟังแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็มีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมมาอย่างแบบคล้ายๆแบบ รีบมานะผุนผันมาเลยแกเล่าว่านะคุณยายคนนี้ไปทวงเงินแกพอแกยืมเงินไว้หลายปีแล้วไม่คืนคุณยายนี่ก็ไปปรากฏตัวปรากฏร่างไม่ใช่ปรากฏในฝันนะไปปรากฏตัวให้เห็นเลยนะว่าแกก็เลยตกใจนะที่ร่านึกว่าคุณยายตายแล้วที่จริงยังไม่ตายนะ ตัวอยู่โรงพยบาบาลแต่ว่าใจเนี่ยมันคิดถึงเงินทองที่ถูกยืมไปนะแล้วก็ไปทวงเงินจาก เ, าเพื่อนบ้านคนเนี้ยเขาเลยตกใจรีบมาที่โรงพยบาบาลแล้วก็าบอกยายว่าเนี่ยไอ้เงินที่ยืมไปจะจะคืนให้อันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะยังไม่ตายเลยนะแต่ว่าใจนี่มันไปแล้วมันไปทวงเงินเขาแล้ แสดงว่ามีความหวงแหนเงินทองมากอันนี้ก็คือตัวโลภะนะคนเราเวลาใกล้จะตายเนี่ยต้องระวังนะไอ้กิเลส ต, ตัวไหนที่มันคลองใจเราอยู่แบบตัวเด่นๆ เ, เนี่ยเวลาใกล้าตายนี่มันไม่ได้อ่อนแรงลงเลยนะมันกลับเข้มแข็งมากขึ้น แล้วก็ครอบงามทําให้มีพฤติกรรมแปลกๆนะคนที่ยึดติดในหน้าตาในศักดิ์ศรีเนี่ยเวลาตายเนี่ยมันไม่ยอมนะเวลาใกล้ตายเนี่ยมันก็จะพยายามที่จะรักษาหน้ารักษาศักดิ์ศรีเอาไว้ไม่กล้าบอกว่าฉันเนี่ยกลัวตายก็จะแสดงพฤติกรรมแปลกๆอย่างตำรวจคนที่ว่าหรือบางคนที่ขีเหนียวตนหนีนะ ก็จะมีอาการแบบนี้นะแล้วมันไม่ได้ช่วยทำให้จิตใจสงบเลยยิ่งใกล้ตายเนี่ยยิ่งต้องให้ความสำคัญกับเรื่องใจที่สงบมากขึ้นเพราะใจสงบเนี่ยมันจะช่วยลดความเจ็บความปวดได้เยอะเลยแต่ถ้าใจไม่สงบใจกระสับกระส่ายมีความทุกข์มีความโกรธมีความกลัวมีความโลภมันก็ยิ่งทาให้มีความทุกข์ทรมานมากขึ้น อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะว่าเวลาเราการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันสามารถที่จะส่งผลไปถึงคุณภาพของจิตตอนจะตายด้วยถ้าเราไม่ใส่ใจในการใช้ชีวิตปล่อยชีวิตไปตามกิเลสถึงเวลาตายกิเลสถึงเวลาใกล้ตายกิเลสนั่นแหละมันก็จะมาครอบงาใจ สามารถทำให้ไปอบายได้คือถ้าจิตเป็น อ, อกุศลนะแล้วก็จิต อ, อกุศลต่อเ น, นื่องไปจนถึงจิตสุดท้ายที่เรามรณาสันนวิถีเนี่ยอาสนกรรมเป็น อ, อกุศลก็ไปอบายทันทีเลยมีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกเยอะนะพระที่ได้จีวรใหม่มาสมัยก่อนจีวรเป็นของหายาก ส่วนใหญ่ภาพก็เก็บออกจากซากศพได้จีวอนหมายจากพี่สาวดีใจแต่ไม่ทันได้ใช้ก็เกิดมรณะภาพกระทันหันก่อนตายจิตสุดท้ายเนี่ยมันเหนียวนึกถึงจีวอผือนนั้นด้วยความเสียดายเสียดายที่ไม่ได้ครองหรือเสียดายที่ไม่ได้สนองศรัทธาพี่สาวก็ไม่ทราบเพราะว่าบอกว่าพอตายก็ไป ปเป็นเลนอยู่ในจีวอนั่นแหละนึกถึงจีวอนก็ได้ไปอยู่ใกล้จีวอสมใจนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นภพภูมิที่ดีแล้วก็จะเป็นทุกติหรือว่าความรู้สึกผิดก็เหมือนกันนะความรู้สึกผิดอย่างนางมมริกาเทวีเป็นมเหสีพระเจ้าอุเทนอันปจาราประสิิโกศนก็เป็นคนที่ฝ่ายดีฝ่ายทำ ตอนจะตายนี่เกิดเป็นนึกถึงการกระทําบางอย่างก็คือไปโกหกพระเจ้าเปรนเสนโกศนเรื่องที่ตัวเองทำอะไรไม่ค่อยดีกับกับสุนักไม่ได้อับอายนะกับการกระทําเช่นนั้นแต่เสียใจที่ว่าไปทำไปโกหกเอาไว้จิตใจเศร้าหมอง พอจิตใจเศ่อาหมองแล้วตายตอนนั้นก็พรา่าไปนรกเลยแต่ว่าอยู่ได้เจ็ดวันบุญกุศลที่ได้ทำไว้ก็หนุนส่งใ ห, ให้ไปเกิดในสวรรค์คนเราเนี่ยอ ย, อย่าคิดแต่เพียงว่าการมีชีวิตที่ดีเท่านั้นนะัต้องคิดถึงเรื่องการตายดีด้วยการคิดถึงแค่ชีวิตที่ดีเนี่ยมันก็เป็นแค่ครึ่งหนึ่งของสิ่งที่ควรจะเป็น เราคนเราต้องตายก็ทังนั้นนะต้องคิดถึงเรื่องการตายดีด้วยแล้วจะตายดีได้ทําอย่างไรนะมันก็ต้องพยายามดําเนินชีวิตให้ดีให้ถูกต้องให้มีธรรมะแต่ น, นี้มันก็ต้องขยายความนะเพราะว่าเพียงแค่ให้ทานรักษาศีลอาจจะยังไม่พอก็ได้ มันก็ช่วยได้เยอะนะการให้ฐานรักษาศีลเนี่ยพอจะตายนึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำแล้วก็ไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจให้จิตใจเศ้าหมองก็ไปดีได้แต่หลายคนเนี่ยถึงแม้จะให้ฐานรักษาศีลแต่ว่าไม่ได้ขัดเกลาลดละ ก, กิเลสอย่างตัวอย่างทหารตำรวจคนที่ว่ามาเนี่ย ก็อาจจะมีศีลก็ได้นะอาจจะเป็นคนทาบุญก็ได้นะแต่ว่าศีลที่บำเพ็ญเนี่ยมันไม่ได้ช่วยลดความกลัวเลยหรืออย่างยายที่แกตนหนีเนี่ยแกก็อาจจะชอบทาบุญให้ทานรักษาศีลแต่แกไม่ได้ขัดเกลาไม่ได้ลดละความตันหนีคนที่มีศีลนะแต่ว่ามีความตนหนีทีเหนียวนี่ก็เยอะนะ บางคนก็อาจจะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้คิดดอกเบี้ยราคาแพงๆก็ได้ก็อาจจะไม่ได้โกงใครไม่ได้ทําปนนติบาตนะไม่ได้โกหกใครไม่ได้โขโมยใครไม่ได้ประพฤติผิดในกาไม่ได้กินเหล้าแต่ว่ามีความตนนีให้ความตนีนี่แหละนะถ้าไปเลี้ยงมันเอาไว้ ฟูมฟักมันเอาไว้มันก็จะกลับมาทำร้ายเราโดยเพราะในเวลาที่ใกล้าตายแทนที่ใจจะนึกถึงบุญนึกถึงกุศลเนี่ยมันก็จะนึกถึงแต่เรื่องเงินเรื่องทองหรือคนที่คิดแต่เรื่องหน้าตาศักดิ์ศรีเนี่ยคนที่รักษาศีลดีนี่ยก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ลดละกิเลสจริงๆนะมันก็ยังมีความยึดติดในหน้าตาในศักดิ์ศรีนะ ยิ่งรักษาศีลแบบต้องการอวดต้องการโชว์ว่าฉันเนี่ยเป็นคนมีธรรมะอันนี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่นะเพราะว่ามันก็ยิ่งทำให้เกิดมานะมานณคือความถือตัวเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าฉันดีนะฉันวิเศษฉันเคร่งไอตัวนี้แหละนะมันก็จะมาเล่นงานเราได้ ในเวลาที่ใกล้ตายเพราะตอนนั้นสติมันอ่อนพอสติอ่อนนี่กิเลสมันจะมีกําลังมากไม่ว่าจะเป็นความกลัวไม่ว่าจะเป็นความรักษาหน้ารักษาตาหวงแหนศักดิ์ศรีหรือว่าความตนหนีส่วนทั้งความโกรธด้วยแล้วเป็นคุมไม่ได้นะมีครูคนนึงนะ เป็นครูสอนนักเรียนปถมแกเป็นคนที่ดุแล้วก็เข้มงวดมากแล้วก็ชอบใช้อำนาจกับนักเรียนดุด่าว่ากล่าวนักเรียนเป็นประจำบางครั้งก็คุมอารมณ์ไม่ไหวก็ตีเด็กตีเด็กไม่ได้ตีเพราะ ปรารถนาดีนะแต่ตีเพราะว่าความโกรธเด็กตงก็นี่ก็กลัวเลยพอครูนี่ก็เสียนมาอยู่บ้านแกก็ใช้ทิ่สายเดียวกันกับลูกกับหลานชอบสั่งชอบชี้นิ้วชอบต่อว่าชอบติสินินทาว่ากล่าวลูกหลานก็ไม่อยากเข้าใกล้แล้ววันหนึ่งแกก็ป่วยเป็นมะเร็ง จนก็ต้องต้องเข้าโรงพยาบาลอันนี้สายเดิมๆเนี่ยมันก็มาอารวาดใครอยู่ใกล้นี่ก็จะหามีเรื่องตำหนิมีเรื่องต่อว่าหรือแม่ก็สั่งเขาตอนเป็นครูณนี่ก็สั่งเด็กจนชินนะพอป่วยนี่ก็สั่งอีกนะแม้กระทั่งหมอพยาบาลก็โดนไม่มีละเว้นหมอและพยาบาลก็เบือ่อแล้วก็ละอาเลย ยิ่งตอนหลังนี่ป่วยหนักจนกระทั่งเพอ้อนะก็จะยิ่งอาลวาดนะกับคนที่อยู่ใกล้บางทีก็ตะโกนะพูดคำว่าเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มนี่เป็นคำพูดที่แกติดปากนะเวลาบอกให้เด็กเนี่ยเริ่มอ่านหนังสือหรือว่าสวดท่องอักยานก็ตอนป่วยนี่ก็เรียกว่าไม่มีความสุขเลยเพราะว่าความโกรธชอบใช้อำนาจ ชอบใช้พระเดชเนี่ยหรือมองคนในแง่ลบเนี่ยมันมันครอบงำใจแล้วก็หาความสงบสุขไม่ได้ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ลูกหลานก็ไม่กล้ามาเยี่ยมระอาหรือว่าทั้งกลัวทั้งลำคาสุดท้ายก็ตายตายโดยที่ไม่มีลูกหลานมาเยี่ยมแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นนะพอ ลูกหลานมารับศพเนี่ยไม่มีใครอยากจะอยากจะดูศพเลยเวลาลงลิฟต์ก็ลงลิฟต์คนละตัวลงก็ไปลิฟต์ตัวหนึ่งส่วนลูกหลานก็ขึ้นลิฟต์อีกตัวหนึ่งก็ เ, <c oughs> เรียกว่าไม่มีใครอยากเข้าใกล้เป็นศพที่เหงามากนะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครอยากจะเข้ามามา อยู่ใกล้เลยแต่นี่เป็นตัวอย่างของคนที่ปล่อยให้ความโกรธนะครอบงำใจเนี่ยถึงเวลานี่เวลาปล่วยนี่มันก็รบกวนจิตใจมากแล้วมันก็บังคับให้แสดงออกพฤติกรรมต่างๆจนคนนี่ไม่อยากอยู่เข้าใกล้ใช้อารมณ์กับคนรอบข้าง เนี่ยมันท่องหมดนี่ก็เรื่องเดียวกันนะก็คือว่าถ้าเราปล่อยให้กิเลสตัวไหนเนี่ยมันมันอยู่ล้นถ้าเราเลี้ยงกิเลสตัวไหนเอาไว้พอเวลาป่วยเวลาใกล้าตายไอ้กิเลสตัวนั้นเนี่ยมันยิ่งมีกำลังถึงแม้กำลังวังชาเราถดถอยกำลังกายถดถอยแต่ว่ากำลังกิเลสนี่มันไม่ได้ถดถอยตามนะมันกลับ แรงมากขึ้นกว่าเดิมเราก็ทำให้อยู่ก็ไม่เป็นสุขนะตายก็ไม่สงบผู้คนก็มีความทุกข์ร้อนกับพฤติกรรมของคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาเร า, าที่เรายังมีลมหายใจที่เรายังมีกำลังวังชาอยู่เนี่ยนะ ก็ต้องคิดนะว่าเราอยากจะตายแบบไหนถ้าเราอยากจะตายอย่างสงบตายตายดีก็ต้องหันมาใช้ชีวยของเราเนี่ยให้มันสอดคล้องกันด้วยไม่อยากตายอย่างคนโกรธนะก็ต้องพยายามจัดการกับความโกรธนั้นอย่าเลี้ยงมันเอาไว้ แต่ก็อย่า ก, กดข่มมันนะกดข่มมันก็ไม่ใช่แต่ว่าก็ไม่ไปปนเปลอมมันไม่ใช่ไปคล้อยตามมันง่ายๆถ้าเรากลัวตายนะก็ต้องยอมรับความกลัวนั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายนะที่เราจะกลัวตายแต่ว่าเราต้องยอมรับมันแล้วก็หาทางที่จะบรรเทาความกลัวนั้นให้มาลดลงเช่นเราลึกถึงความตายอยู่เสมอนะ ใครที่ห่วงแหวนหน้าตาศักดิ์สีนะก็ต้องรู้นะว่ามันสามารถจะมาก่อกวนเราได้ชนี้จะเรียกว่าควบคุมตัวเองไม่ได้เลยในเวลาป่วยในเวลาใกล้าตายฉันก็อย่าไปเลี้ยงมันเอาไว้นะความรักความห่วงแหวนหน้าตาศักดิ์สีเนี่ยจะไปพเนาไปพนาพนอมันปรนเปลอมัน มันก็จะเหมิมเกริมมากจร่งๆมันก็เหมิมเกริมตั้งแต่ตอนที่ยังมีลมหายใจแล้วตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตแล้วเพียงตัวมันจะแสะดงตัวชัดเจนมากชนิดที่ว่าไม่มีอะไรขวางกั้นได้ในเวลาใกล้าตายตเพียงแค่ให้ฐารักษาศีล น, นี่ไม่พอนะมันต้องหันมาจัดการกับกิเลสเหล่านี้เพราะว่าศีลเนี่ยมันก็แค่ จำกัดขอบเขตของตัวกิเลสตัวใหญ่ๆนะไม่ให้ไปกอกกวนไปก่อกรรมทำเข้นกับผู้อื่นแต่ว่ามันก็ยังสามารถที่จะรบกวนติดใจได้อย่างที่บอกเนี่ยคนที่รักษาศีลห้าแต่ว่าเป็นคนที่หวงแหนหน้าตาหรือว่าเป็นคนที่ตนหนีนี่ก็เยอะปล่อยให้มันลอยนวล พนัพนอมันตามใจมันนี่ก็อันตรายการภาวนาเนี่ยมันก็ช่วยได้แต่ภาวนาต้องภาวนาให้เป็นนะเพราะว่าบางคนภาวนามาปฏิบัติธรรมแต่ว่าไม่ค่อยก็ภาวนาเพื่อจะเอาความสงบอย่างเดียวเอาความสงบชั่วครู่ชั่ว ย, ยามให้ใจไม่ฟุ้งซ่านก็พอแล้วแต่ว่ากิเลสไม่ได้แตกต้องเลย ปล่อยให้กิเลสมันลอยนวลปฏิบัติธรรมเพียงแค่เออให้ใจสงบก็พอแล้วให้ใจไม่ฟุ้งซ่านแต่ว่ากิเลสมันยังอยู่ให้การลู่ทันเนี่ยทะลุทันแต่ตัวความคิดเล็กๆน้อยๆนะมันก็เหมือนกับว่าวกวาดกวาดกวาดทางกวาดเอากรวดเอาหินออกไปแต่ว่าหินก้อนใหญ่หญๆก็ยังอยู่เหมือนที่เคยพูดไว้เมื่อ หลายวันก่อนนะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายคนนี่ปฏิบัติธรรมเพียงแค่ปัดกวาดเอากวดหินเล็กๆน้อยๆนะแต่ก้อนหินก้อนใหญ่ๆนี่ไม่ได้แตกต้องเลยนะคือกิเลสนั่นแหละความยึดติดถือมั่นในทรัพย์ในสมบัติในหน้าตาในศักดิ์ศรีในเกียรติยศหรือว่าในความโกรธนะภาษาฝรั่งมันมีควาว่าช้างในห้องนะ มันเป็นํำนวนนะช้างในห้องหมายความว่าอยู่ในห้องเนี่ยแต่มองไม่เห็นช้างเลยทังที่ช้างมันตัวโตวมากแต่ดันเห็นเข็มนะเห็นเข็มเห็นกระดาษเห็นอเห็นฝุ่นนะแต่ไม่เห็นช้างนะนปฏิบรรัติทำจานวนไม่น้อยเลยนะก็คล้ายๆกัน น, นะคือเห็นรู้ทันความคิดเล็กๆในน้อยนะแต่ว่าไม่รู้ทันกิเลสตัวใหญ่ๆ อันนี้ก็ต้องระวังต้องกล้าที่จะเข้าไปขุดลากถอนค น, นกิเลสหรือว่ารื้อถอนกิเลสเหล่านั้นเริ่มต้นด้วยการที่ไม่พเนาะพนอมันต้องกล้าที่จ ะ, ะ, ะเผชิญหน้ากับมันยอมรับว่าเออเราก็มีกิเลสตัวนี้กิเลสตัวใหญ่ๆ ถ้าคิดแต่จะหาความสงบนะแล้วก็ปล่อยให้กิเลสลอยนวลนะวันดีคืนดีมันก็สามารถอรารวาดแล้วก็ก่อปัญหาให้กับเราเช่นที่ที่เราคุมไม่ได้เลยเพราะตอนนั้นโดยเพราะเวลาที่ป่วยนี่สติมันอ่อนแล้วไม่มีกำลังแล้วแต่กิเลสนี่แรงมันมากเหลือเกิน ถึงตอนนั้นนี่ก็ต้องอาศัยกรารยนานมิตรคอยช่วยละแต่ถ้าไม่มีกรายนานมิตรนะมันก็ก่อกวนทั้งตัวเองด้วยก่อกวนคนอื่นด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องต้องพิจารณาให้ดีนะนอกจากการให้ทานการรักษาศีลและต้องภาวนาชนิดที่ว่ากล้าที่จะล้วงลึกนะไปถึงกิเลส ท, ที่อยู่ส่วนลึกในจิตใจ นะไม่ไม่ไม่กลัวมันไม่ปล่อยให้มันลอยนวลเอาละคำนี้ก็พื่เท่านี้นะกราบพระ